ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่สิบหองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดที่สามหมวดสมาธิสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโตจัดต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ห้าสิบห้ามร์ข้อที่หกสัมมาวายามะองค์มร์นี้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 สมับประธานหรือประธานสี่แปลเป็นไทยอย่างง่ายๆว่าความเพียรถูกต้องหรือสมบูรณ์แบบและมีชื่อเรียกเฉพาะสำหรับความเพียรแต่ละข้อนั้นว่าหนึ่งสังวรประธานเพียรป้องกันหรือเพียรระวังอกุศลที่ยังไม่เกิดสอง ปหานะประธานเพียนละหรือเพียนกำจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วสาภาวนาประธานเพียนเจริญหรือเพียนสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดสอนุรักษณาประธานเพียนอนุรักษ์หรือเพียนรักษาและส่งเสริมกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว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 ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้บาปอคุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายหรือชอบใจไม่ชอบใจรอบงามได้ยอมรักษาจากขุนสีถึงความสำรวมในจากขุนสีฟังเสียงด้วยหูสูดกลิ่นด้วยจมูกลิมรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธภาพด้วยกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจก็เช่นเดียวกัน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 มีอิทธิพลต่อการประกอบความเพียรและความเจริญงอกงามของคุณธรรมภายในทั้งในทางเกื้อกูลและในทางขัดขวางบั่นรอนบ้างเฉพาะอย่างยิ่งความเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัติธรรมชนิดที่ขยายออกเป็นการกระทำภายนอกและซึ่งกระทำกันอย่างเป็นงานเป็นการที่เรียกว่าประธานนะหรือประธานนั้นต้องเกี่ยวข้องและอิงอาศัยปัจจัยแวดล้อมภายนอกเป็นอันมาก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 มาประกอบการพิจารณาสักเล็กน้อยภิกษุทั้งหลายคุณสมบัติของผู้บำเพ็ญเพียรคือปธานิยังคะองค์ของผู้มีปธานะหรือประธานมีห้าประการเหล่านี้5ประการคืออะไรกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อตถาคตโพธิ ว่าแม้เพราะเหตุดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุทธะละจนถึงเป็นผู้จำแนกแจกธรรม 2. เป็นผู้มีอาภาษน้อยมีโรคน้อยประกอบด้วยไฟเผาพลานเครื่องย่อยอาหารอันสม่ำเสม อ, สมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร สามเป็นผู้ไม่อโอดอวดไม่มีมายาเป็นผู้เปิดเผยตัวตามเป็นจริงทั้งในพระาศาสดาทั้งในเพื่อนพรมจารีผู้เป็นวินยูสี่เป็นผู้ระดมความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่ อ, อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมมีความเข้มแข็งบากบันมั่นคงไม่ท้อทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย หเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอย่างอริยะที่ยังถึงความเกิดขึ้นและความดับสลายชำระ ก, กิเลสได้อันให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายห้าอย่างเหล่านี้มิใช่สมัยที่เหมาะสำหรับบำเพ็ญเพียรห้าอย่างคืออะไรกล่าวคือหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้แก่เท่าถูกชราครอบงำ 2. ภิกษุเป็นผู้เจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำ 3. าสมัยทุกภิกขาข้าวไม่ดีหาอาหารยากไม่สะดวกที่จะยังชีพด้วยบินทบาท 4. สมัยที่มีภัยเกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย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 ภิกษุทั้งหลายห้าอย่างเหล่านี้เป็นสมัยที่เหมาะสำหรับบรรพ็นเพียรห้าอย่างคืออะไรกล่าวคือ 1. ภิกษุยังหนุ่มยังเยาวมีผมดำสนิทประกอบด้วยวัยหนุ่มอันเจริญเป็นปฐมวัย 2. ภิกษุเป็นผู้มีอาภาษน้อยมีโรคน้อย 3. สมัยสุภิขา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 มรกข้อที่เจสัมมาสติคำจำกัดความสัมมาสติเป็นองค์มรกข้อที่สองในหมวดสมาธิจัดเข้าในอธิจิตตสิกขามีคำจำกัดความในประสูรดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัมมาสติเป็นชนัยนี้เรียกว่าสัมมาสติ คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ตามเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติปลอดร้ายอภิชาและโทมนัสในโลก 2. ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติปลอดร้ายอภิชาและโทมนัสในโลกส ตามเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติหลอดไรอัอพิชชาและโทมนัสในโลก 4. ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติหลอดไรอัพิชชาและโทมนัสในโลกคำจำกัดความอีกแบบหนึ่งที่ปรากฏในคำพีอภิธรรม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 สติสัมโพชงที่เป็นองค์มรักนับเนื่องในมรักนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติตามคำจำกัดความแบบระสูตรนั้นก็คือหลักธรรมที่เรียกว่าสติประฐานสี่นั่นเองหัวข้อทั้งสีของหลักธรรมหมวดนี้มีชื่อเรียกสั้นๆคือหนึ่งกายานุปัสนา การพิจารณากายการตามดูรู้ทันกายสเวทนานุปัสนาการพิจารณาเวทนาการตามดูรู้ทันเวทนา 3. จิตตานุปัสนาการพิจารณาจิตการตามดูรู้ทันจิต 4. ธรรมานุปัสนาการพิจารณาธรรมต่างๆ การตามดูรู้ทันธรรมก่อนจะพิจารณาความหมายของสัมมาสติตามหลักสติประฐานสีน่นี้เห็นว่าควรทำความเข้าใจทั่วๆไปเกี่ยวกับเรื่องสติไว้เป็นพื้นฐานก่อนสติในฐานะอัปปมาทธรรมสติแปลกันง่ายๆว่า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 ระหนักดีถึงสิ่งที่จะต้องทำและต้องไม่ทำใส่ใจสำนึกอยู่เสมอในหน้าที่ไม่ปล่อยปละละเลยกระทาการด้วยความจริงจังและพยายามเดินรุดหน้าอยู่ตลอดเวลากล่าวได้ว่าอัปปมาทธรรมนี้เป็นหลักความรู้สึกรับผิดชอบขั้นพื้นฐานในแง่ความสาคัญอัปปมาทะจัดเป็นองค์ประกอบภายใน เช่นเดียวกับโยนิโสมนสิการคู่กับหลักการลยานามิตรที่เป็นองค์ประกอบภายนอกพุทธพจน์แสดงความสำคัญของอั ป, ปมาทะนี้เปงนทีซ้ำกับโยนิโสมนสิการเหตุผลก็คือธรรมะทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญเท่าเทีเทยมกันแต่ต่างแง่กันโยนิโสมนสิการเป็นองค์ประกอบฝ่ายปัญญา เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้กระทำการส่วนอัปปมาทะเป็นองค์ประกอบฝ่ายจิตคือด้านสมาธิเป็นตัวควบคุมและเร่งเร้าให้มีการใช้อุปกรณ์นั้นและก้าวหน้าต่อไปเสมอความสำคัญและขอบเขตการใช้อัปปมาธรรมในการปฏิบัติจริยธรรมขั้นต่างๆจะเห็นได้จากพุทธพจน์ตัวอย่างต่อไปนี้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 เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพพานิมิตชั้นใดความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็เป็นตัวนําเป็นบุพพานิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริย阿สดางคิกกามกแก่ภิกษุชันนั้นธรรมะเอกที่มีอุปการะมากเพื่อการเกิดขึ้นของอริยอสดางคิกกามกก็คือความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เราไม่เล็งเห็นถึงธรรมะอื่นแม้สักอย่างที่เป็นเหตุให้อริยาอสดางคิกะมักซึ่งยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรืออริยะอสดาง์ิกะมักที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์เหมือนอย่างความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เลยภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังสิ่งนี้ได้คือเธอจากเจริญจะกระทำให้มากซึ่งอริยะอสดางิกะมัก ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสร้างอปมาทะโดยฐานะสี่คือหนึ่งจงละกายทุจริตจงเจริญกายทุจริตและจงอย่าประมาทในการทั้งสองนั้นสองจงละวจีทุจริตจงเจริญวจีสุจริตและจงอย่าประมาทในการทั้งสองนั้นสามจงละมนโนทุจริตจงเจริญมนโนสุจริต และจงยาประมาทในการทั้งสองนั้น 4. จงละมิชาทิฏฐิจงเจริญสัมมาทิฏฐิและจงยาประมาทในการทั้งสองนั้นในเมื่อภิกษุละกายทุจริตเจริญกายสุจริตจนถึงละมิชาทิฏฐิเจริญสัมมาทิฏฐิแล้วเธอย่อมไม่หวาดกลัวต่อความตายที่จะมีข้างหน้า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 และไม่ต้องเชื่อถือแม้แต่เพราะถ้อยคำของสมณะมีบ้างไหมธรรมะข้อเดียวที่จะยึดเอาประโยชน์ไว้ได้ทั้งสองอย่างคือทั้งทิฏฐะธรรมิกัตถะประโยชน์บัดนี้หรือที่ตาเห็นและสัมปรายิกัตถะประโยชน์เบื้องหน้าหรือที่เลยตาเห็นตอบว่ามีถามว่า ธรรมนั้นคืออะไรตอบว่าธรรมะนั้นคือความไม่ประมาทดูก่อนมหาบพิษ ธ, ธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วนั้นสําหรับผู้มีกัลยาณมิตรมีกัลยาณสหายมีกัลยาณชนเป็นที่คบหาหาใช่สําหรับผู้มีปาปามิตรผู้มีปาปาสหาย ผู้มีกปาลปยาณมิตร น, นั้นเท่ากับเป็นโรมจาจารทั้งหมดทีเดียวเพราะเหตุนั้นแหลมหาปพิธพระองค์พึงทรงสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้มีกัลยนานมิตรมีกัลยนานสหายมีกัลยนานชนเป็นที่คบหาพระองค์ผู้ทรงมีกัลยนานมิตรนั้นจะต้องทรงดำเนินพระจริยาอาศัยธรรมะข้อนี้อยู่ประการหนึ่ง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 จะเป็นอยู่ด้วยอาศัยความไม่ประมาทด้วยดูก่อนมหาบพิษเมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่ประมาททรงดำเนินพระจริยาอาศัยความไม่ประมาทอยู่แม้ตัวพระองค์เองก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาแม้พวกฝ่ายในก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาตลอดจนแม้ยุ้งช้างพระคลังหลวงก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษา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 เรื่องเคยมีมาแล้วนักกยกรรมยกลำไม่ผ่ขึ้นตั้งแล้วเรียกสิทธ์มาบอกว่ามานินาเธอเธอใตาไม่ผ่ขึ้นไปแล้วจงเลี้ยงตัวอยู่เหนือต้นคอของเราสิทธ์รับคําแล้วก็ไต่ลำไม่พ่ยขึ้นไปยืนเลี้ยงตัวอยู่บนต้นคอของอาจารย์คราวนั้นนักกยกรรมได้พูดกับสิทธ์ว่านี่เนเธอเธอจงรักษาฉันนะฉันก็จะรักษาเธอ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 บทบาทของสติในกระบวนการพัฒนาปัญญาหรือการกำจัดอาสวะกิเลสอ ป, ปมาทะคือความไม่ประมาทนั้นหมายถึงการมีชีวิตอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือการมีสติอยู่เสมอในการครองชีวิตอ ป, ปมาทะเป็นตัวการทำให้ระมัดระวังป้องกันไม่ให้พลาดตกไปในทางชั่วหรือเสื่อมคอยยับยั้งเตือน ไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงสยบอยู่คอยกระตุ้นไม่ให้หยุดอยู่กับที่และคอยเร่งเร้าให้ขมักขมันที่จะเดินรุดหน้าอยู่เรื่อยไปทำให้สํานึกในหน้าที่อยู่เสมอโดยตระหนักถึงสิ่งควรทำและไม่ควรทำทําแล้วและยังไม่ได้ทําและช่วยให้ทําการต่างๆด้วยความรอบคอบ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 โดยเฉพาะจะมีวายามะหรือความเพียรควบอยู่ด้วยเสมอรั้นจำกัดการพิจารณาแคบเข้ามากล่าวเฉพาะการดำเนินของจิตใจในกระบวนการพัฒนาปัญญาหรือการใช้ปัญญาชำระล้างภายในดวงจิตอั ป, ปมาทะกลายเป็นตัววิ่งเต้นที่คอยเร่งร้าวอยู่ในวงนอกเมื่อถึงขั้นนี้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 อาจเข้าใจได้จากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของสติในกรณีที่มีบทบาทของมันเองแยกจากองค์ธรรมอื่นๆอย่างเด่นชัดเช่นในข้อปฏิบัติที่เรียกว่าสติประฐานเป็นต้นในกรณีเช่นนี้พอจะสรุปการปฏิบัติหน้าที่ของสติได้ดังนี้ลักษณะาการทำงานโดยทั่วไปของสตินั้นคือการไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอย ไม่ปล่อยอารมณ์ให้ผ่านเรื่อยเปื่ยไปหรือไม่ปล่อยให้ความนึกคิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆแต่คอยเฝ้าระวังเหมือนจับดูอารมณ์ที่ผ่านมาแต่ละอย่างมุ่งหน้าเข้าหาอารมณนน์นั้นๆเมื่อต้องการกำหนดอารมณ์ใดก็เข้าจับดูติดๆไปไม่ยอมให้คลาดหายคือนึกถึงหรือระลึกไว้เสมอไม่ยอมให้หลงลืม จะเห็นได้ว่าสติไม่ได้มีความหมายตรงกับความจำทีเดียวแต่การระลึกได้จาได้คือ Recollection ซึ่งเป็นอาการแสดงออกของความจำก็เป็นความหมายแง่หนึ่งของสติด้วยและความหมายในแง่นี้จะพบใช้ในที่หลายแห่งเช่นในคำว่าพุทธานุสติเป็นต้นแต่ในความหมายที่แท้เช่นที่กล่าวถึงในที่นี้ มุ่งความหมายตามคำอธิบายข้างบนซึ่งใกล้เคียงกับที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า m y ายฟ n e s s มีคำเปรียบเทียบสติว่าเหมือนเสาหลักเพราะปักแน่นในอารมณ์หรือเหมือนนายประตูเพราะเฝ้าอายตนะต่างๆที่เป็นทางรับอารมณ์ตรวจดูอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาเข้ามาปทัทศฐานหรือเหตุใกล้ชิด ที่จะให้เกิดสติก็คือสัญญาการกำหนดหมายที่มั่นคงหรือสติประฐานชนิดต่างๆที่จะกล่าวต่อไปพิจารณาในแง่จริยธรรมจะมองเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของสติได้ทั้งในแง่ปฏิเสธคือเนกาทีฟและในแง่อนุมัติคือโพซิทีฟในแง่ปฏิเสธสติเป็นตัวป้องกัน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 ควบคุมรักษาสภาพจิตให้อยู่ในภาวะที่ต้องการโดยตรวจตรากระบวนการรับรู้และกระแสความคิดเลือกรับสิ่งที่ต้องการการออกไปซึ่งสิ่งที่ไม่ต้องการดึงกระแสความคิดให้นิ่งเข้าทีและทำให้จิตเป็นสมาธิได้ง่าย 2. ทํทำให้ร่างกายและจิตใจ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 เท่ากับเป็นฐานในการสร้างเสริมปัญญาให้เจริญบริบูรณ์ห้าชำระพฤติกรรมต่างๆทุกอย่างทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้บริสุทธิ์อิสระไม่เกลือกลัวหรือเป็นไปด้วยอำนาจตัญหาอุปาทานแล้วร่วมกับสัมปัชัญญะทำให้พฤติกรรมเหล่านั้นเป็นไปด้วยปัญญา หรือเหตุผลบริสุทธิ์ล้วนๆประโยชน์ข้อที่สและห้นั้นนับว่าเป็นจุดหมายขั้นสูงจะเข้าถึงได้ด้วยวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้เป็นพิเศษซึ่งตามคำจำกัดความในข้อสมาสตินี้ก็ได้แก่สติปัะฐานสี่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 ดังความแห่งพุทธพจน์ในมหาสติปทานสูตรว่าภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นมรคาเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อข้ามพ้นโสกะและปริเทวะเพื่อความอัดงแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรุโลกุตระมักเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งนิพพานนี้คือสติปฐานสี่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 การตามดูรู้ทันธรรมหรือธรรมะคือ 4.1 หนึ่งนิวรสิ่งที่กีดกั้นขัดขวางการทำงานของจิตคือกามชันทะพยาบาททีนามิทะหรือความหดหู่ง่วงเหงาอุทจักกุกกุจจกความฟุ้งซ่านของวัใจวิจิกิจฉาความสงสัยแคลงใจรู้ชัดในขณะนั้นนั้นว่า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 รู้ชัดในขณะนั้นนั้นว่าโพ้ชงเจ็แต่ละอย่างแต่ละอย่างมีอยู่ในใจตนหรือไม่ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นได้อย่างไรที่เกิดขึ้นแล้วจเจริญเต็มบริบูรณ์ได้อย่างไร 4.5 อริยสัจคือรู้ชัดอริยสัจสี่แต่ละอย่างแต่ละอย่างตามเป็นจริงว่าคืออะไรเป็นอย่างไร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 คือความเสื่อมสิ้นไปในกาอยู่บ้างคิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในกาอยู่บ้างก็แลเธอมีสติดำรงต่อหน้าว่ามีกาอยู่เพียงแค่เพื่อความรู้เพียงแค่เพื่อความระลึกและเธอเป็นอยู่อย่างไม่อิงอาศัยไม่ถือมั่นสิ่งใดในโลก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 โดยมีสติคุ้มครองณจุดทั้งสี่นี้แล้วก็จะช่วยให้เป็นอยู่อย่างปลอดภัยไร้ทุกข์มีความสุขผ่องใสและเป็นปฏิปทานนำไปสู่ความรู้แจ้งอริยสัจธรรมจากข้อความในคำแสดงสติปทานแต่ละข้อข้างต้นจะเห็นได้ว่าในเวลาปฏิบัตินั้นไม่ใช่ใช้สติเพียงอย่างเดียวแต่มีธรรมะข้ออื่นๆควบอยู่ด้วย ธรรมะที่ไม่บ่งถึงไว้ก็คือสมาธิซึ่งจะมีอยู่ด้วยอย่างน้อยในขั้นอ่อนๆพอใช้สำหรับการนี้เรียกว่าวิปัสนาสมาธิอยู่ในระดับระหว่างคณิกาสมาธิคือสมาธิชั่วขณะกับอุปจารสมาธิสมาธิที่จวนจะแน่วแน่ส่วนธรรมะที่ระบุไว้ด้วยเป็นประจำ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 คือปัญญาสาสติมามีสติหมายถึงสตินี้เองข้อพึงสังเกตคือสัมปชาโนซึ่งแปลว่ามีสัมปชัญญะจะเห็นว่าสัมปชัญญะคือปัญญานี้เป็นธรรมะที่มักปรากฏคู่กับสติ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 พึงปฏิบัติต่อมันอย่างไรและไม่เกิดความหลงหรือความเข้าใจผิดใดๆขึ้นมาในกรณีนั้นๆข้อความต่อไปที่ว่าปลอดรายอภิชาและโทมนัสในโลกแสดงถึงท่าทีที่เป็นผลจากการมีสติสัมปชัญญะว่าเป็นกลางเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสผูกพัน ตั้งในแง่ติดใจยอยากได้และขัดเคืองเสียใจในกรณีนั้นๆข้อความต่อท้ายเหมือนเหมือนกันของทุกข้อที่ว่ามองเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปแสดงถึงการเข้าใจตามหลักตรายลักษ์จากนั้นจึงมีทัศนคติที่เป็นผลเกิดขึ้นคือการมองแล้วรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้น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 ไล่ไปเห็นคนชางบ้างดูกายไล่เห็นเป็นของชอบอยากชมบ้างเป็นต้นเข้าคติคําของโบราณอาจารย์ว่าสิ่งที่ดูมองไม่เห็นไล่ไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดูเมื่อไม่เห็นก็หลงติดกับเมื่อติดอยู่ก็พ้นไปไม่ได้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 จนไม่เห็นมีต้นกล้วยดังนี้เป็นต้นในส่วนของเวทนาในเวทนาจิตในจิตทมในธรรมก็พึงเข้าใจทํานองเดียวกันอาตาปีสัมมัประโนสติมาแปลว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ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 เมื่อปฏิบัติเช่นนี้จิตใจก็ปลอดโปร่งผ่องใสไม่มีทั้งความติดใจอยากได้และความขัดใจเสียใจเข้ามาครอบงำรบกวนอธิกายติวาปนสะสติปัจจุปติตาโหติยาวะเทวะยานมตายะปิสติมตายะแปลว่า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 ทั้งนี้เพียงเพื่อเป็นความรู้และสําหรับใช้ระลึกคือเพื่อเจริญสติสัมปชัญญะหรือเพื่อให้สติปัญญาเจริญเพิ่มพูนมิใช่เพื่อจะคิดฟุ้งเฟอ้อละเมอฝันปรุงแต่งฝ้าเฟือไปแม้ในเวทนาจิตและธรรมก็พึงเข้าใจอย่างเดียวกันนี้อั น, นิสิตโตจะวิหารติ แปล ว, ว่าและเธอเป็นอยู่ไม่อิงอาศัยคือมีจิตใจเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อสิ่งใดไม่ต้องเอาใจไปฝากไว้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ บ, นนนบุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นต้นว่าตามหลักคือไม่ต้องเอาตัญหาและทิฏฐิเป็นที่อิงอาศัยหรือไม่ต้องขึ้นต่อตัญหาและทิฏฐินั้นเช่นเมื่อรับรู้ประสบการณ์ต่าง ก็รับรู้โดยตรงตามที่สิ่งนั้นๆเป็นอยู่ไม่ต้องอาศัยตัณหาและทิฏฐิมาช่วยวาดภาพระบายสีเสริมแต่งและกล่อมให้เคลิ้มไปต่างๆโดยฝากความนึกคิดจินตนาการและสุขทุกขไว้กับตัณหาและทิฏฐินั้นเป็นต้นนาจากินจิโลเกอุปาทิยติแปลว่า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 แล้วก่อปัญหาขึ้นได้การปฏิบัติตามแนวสติปทานนี้นักศึกษาฝ่ายตะวันตกบางท่านตัวอย่างจาก Buddhism The Legend of Analysis โดย N.P.Jacobson นำไปเปรียบเทียบกับวิธีการแบบจิตวิเคราะห์ของจิตแพทย์สมัยปัจจุบันและประเมินคุณค่าว่าสติปทานได้ผลดีกว่าและใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางกว่า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 หรือคุมจิตไว้ในกระแสของการทากิจและมองความหมายของสัมปัชัญญะในแง่ว่าการรู้ชัดสิ่งที่นึกไว้หรือรู้ชัดสิ่งที่กำลังกระทากล่าวคือมีใยเอาสติมากำหนดตัวตนว่าฉันทำนั่นทำนี่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 เป็นท่าทีที่เปรียบได้กับแพทย์ที่กำลังํำละตรวจดูศพหรือนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังสังเกตดูวัตถุที่ตนกำลังศึกษาไม่ใช่ท่าทีแบบผู้พิพากษาที่กำลังพิจารณาคดีระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นการดูเห็นแบบสภา ว, วะวิสัย Objective ไม่ใช่สะกาววิสัยหรือ Subjective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 แต่สัตว์ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่เป็นโรคทางใจเลยแม้ชั่วเวลาเพียงรู่หนึ่งนั้นหาได้ยากในโลกยกเว้นแต่พระขี่นาศพผู้สิ้นอาสวะแล้วทั้งหลายพระสาวรีบุตรสนทนากับข้ารหบดีนั ก, กูลละบีดาเนี่ยท่านขหาหบดีอินทรีของท่านผ่องใสนัก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 ก็ผู้ใดที่บริหารร่างกายนี้อยู่จะยืนยันว่าตนไม่มีโรคเลยแม้ชั่วครู่หนึ่งจะมีอะไรเล่านอกจากความเขาเพราะเหตุฉะนั้นแหละท่านคฤหาดีท่านพึงสำเนียกว่าถึงแม้กายของเราจะมีโรครุมเรา้าแต่ใจของเราจะไม่มีโรครุมเร้าเลยพระคุณเจ้าผู้เจริญพระผู้มีพระภาค ทรงหลังอมริตรสข้าพเจ้าด้วยธรรมีคาถาดังนี้แหละเหตุใดสติที่ตามทันขณะปัจจุบันจึงเป็นหลักสำคัญของวิปัสสนา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 มีทั้งอย่างแผ่วๆที่ผ่านไปโดยไม่ได้สังเกตลาทีแรงเข้มสังเกตได้เด่นชัดมีผลต่อจิตใจยอย่างชัดเจนและซืบเนื่องไปนานส่วนใดแรงเข้มหรือสะดุดชัดก็มักชักให้มีความคิดปรุงแต่งยืดเยื้อเยินเย้อออกไปถ้าไม่สิ้นสุดที่ในใจก็ผลักดันให้แสดงออกมาเป็นการพูดการกระทำต่างๆทั้งน้อยและใหญ่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 จึงมีส่วนเกื้อกูลแก่การรู้แจ้งสัจธรรมได้สติปัฐานเป็นอาหารของโพชชมความจริงนั้นสติไม่ใช่ตัววิปัสนาปัญญาหรือการใช้ปัญญาต่างหาก เป็นวิปัสนาแต่ปัญญาจะได้โอกาสและจะทำงานได้อย่างปลอดโปร่งเต็มที่ก็ต่อเมื่อมีสติคอยช่วยกำกับหนุนอยู่ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วข้างต้นการฝึกสติจึงมีความสาคัญมากในวิปัสนาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าการฝึกสติก็เพื่อจะใช้ปัญญาได้เต็มที่หรือเป็นการฝึกปัญญาไปด้วยนั่นเอง ในภาษาของการปฏิบัติธรรมเมื่อพูดถึงสติก็มักเลงและรวมถึงสัมปัชัญญะคือปัญญาที่ควบอยู่ด้วยและสติจะมีกําลังกล้าแข็งหรือชนานาญคล่องแคล่วขึ้นได้ก็เพราะมีปัญญาร่วมทํางานปัญญาที่ทํางานร่วมอยู่กับสติในกิจทั่วๆไปมักมีลักษณะาการที่เรียกว่าสัมปัชชญญะ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 ปัญญาที่ทำงานในระดับนี้เช่นที่เรียกว่าธรรมวิจัยในโพชฌงเจ็ดประการเป็นต้นถึงตรงนี้เห็นควรทบทวนหลักซึ่งได้แสดงไว้ตั้งแต่เริ่มเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาที่ว่าสติปัฏฐานสเป็นอาหารหล่อเลี้ยงโพชฌงเจ็และโพชฌงเจ็ดนั้นก็หล่อเลี้ยงวิชาและวิมุตติ โดยยกพุทธพจน์มย้ำดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าววิชาและวิมุติว่ามีอาหารมิใช่ไรอาหารก็ไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุติพึงกล่าวว่าคือโพชงเจดแม้โพชงเจด เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิใช่ไรอาหารก็อะไรเป็นอาหารของโพชงเจตพึงกล่าวว่าคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ที่บริบู์ย่อมยังโพชงเจให้บริบู์โพชงเจที่บริบู์ย่อมยังวิชาและวิมุตติให้บริบู์ วิชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ตามพุทธพจน์นี้ชัดว่าโพชฌงเจตเป็นธรรมะที่ส่งผลแก่วิชาวิมุตติเท่ากับเป็นตัวที่ให้สาเร็จมรรคผลส่วนสติปัฏฐานก็ช่วยโดยหล่อเลี้ยงโพชฌงเจตนั้นพุทธพจน์นี้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 ตอนนี้ก็เป็นกระบวนธรรมะของปัญญาที่เรียกว่าโภชงซึ่งแปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้สัมปัชชัญญาก็ดีธรรมวิจัยก็ดีหรือปัญญาในชื่ออื่นอื่นก็ดีที่ทำงานให้เกิดความเห็นแจ้งรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตรงตามสภาวะที่มันเป็นเพื่อให้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระนี่ล่ละคือวิปัสสนา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 นอกจากนั้นจะต้องให้ปัญญาดูรู้อารมณ์ทุกอย่างที่เข้ามาหรือเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งปัญญาจะต้องรู้เข้าใจเพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงสติจึงเปลี่ยนอารมณ์ที่กำหนดหรือที่จับให้ดูไปได้เรื่อยๆอีกทั้งเพื่อให้ปัญญาดูรู้เท่าทันตรงตามที่สิ่งนั้นเป็นอยู่เป็นไปแท้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 พึงจับเอ า, ง, าง่ายเพียงว่าโยนิโสมนสิการหมายคลุมถึงปัญญาคือมนสิการด้วยปัญญานั่นเองอันหนึ่ง mm. เมื่อโยนิโสมนสิการกำลังทำงานอยู่สติก็จะยังอยู่ด้วยไม่หลงลอยหลุดไปดังนั้นสติกับโยนิโสมนสิการจึงเกื้อกูลแก่กันและกัน ในวิปัสสนาจบพุทธธรรมฉบับปรับขยายบทที่16ตอนที่หนึ่งอริยมรรคข้อที่หสัมมาวายามะและอริยมรรคข้อที่เจสัมมาสติขอทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้ทัาวดีพระมาะรานนสอนกองแก้วเพ่งกองแก้วชานและเฮียเพชรกลมอุไรพรโสพลอุดมพรลำไพยค้าชูปัญธาต์โตพัญญาชนะภัยจันดำวรัญญาพูนเพิ่มร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จะเครดิตท้ายเรื่องและขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ อ, งออกนามด้วยนะครับสับพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง